ภอบกายวาจาจิตของเราให้ตั้งอยู่ตามหลักแห่งธรรมคือระวังกายพุชจริตวาจีพุชจริตมโนพุจริตเป็นผู้ตั้งอยู่ในความไม่ประมาท ร, ระวังไม่ให้ความประมาทเกิดขึ้นคือตั้งอยู่ในการที่จะละกายพุชจริตประพฤติกายสุจริต ระวังในการที่จะละวจีทุจริตประพฤติวจีสุจริตระวังในการที่จะไม่ให้มโนทุจริตเกิดขึ้นพยายามที่จะประพฤติโนสุจริต <c oughs> คือความคิดที่ถูกต้องไม่คิดพยาบาทอาคาตจองเวรไม่คิดละโมโบโลภอยากได้ของผู้อื่นมาเป็นของตนไม่เห็นคิดจากคำนองทองธรรม นี่เรียกว่าเป็นผู้ตั้งอยู่ในความไม่ประมาทไม่กล้ามุสาวาดไม่กล้าก่อเสียดเยียดหยามไม่กล่าววาจาที่หยาบคายนี่ไม่ประพฤติความพุชจริตทางกายคือไม่รักไม่ขโมยไม่ฆ่าไม่เบียดเบียนไม่ประพฤติผิดในกรรมเหล่นี้เรียกว่าเป็นผู้มีความระวัง ในการพุจริทไม่ให้เกิดขึ้นมาให้พุจริตทางกายทางวาจาและทางจิตพยายามจะประกอบแต่ความสุจริตทางกายทางวาจาและทางจิตและทำความเห็นให้ถูกต้องตามทํามนองของธรรมี่เรียกว่าเป็นผู้ตั้งอยู่ในความไม่ประมาทในที่4ีถานและระมัดระวังจิตใจของเราไม่ให้ประมาท ไม่ให้เกิดความประมาทในการที่จะละพยายามระวังจิตของตนไม่ให้เกิดความคุ่นมัวระวังไม่ให้จิตของเราหลงในอารมณ์ที่เป็นที่ตั้งแห่งความหลงระวังจิตไม่ให้กำนัดในอารมณ์เป็นที่ตั้งแห่งความกำนัดระวังจิตไม่ให้ ขัดเพืองในอารมณ์เป็นที่ตั้งแห่งความขัดเรืองระวังจิตไม่ให้มัวเมาในอารมณ์เป็นที่ตั้งแห่งความมัวเมานี่ระวังตั้งอยู่ในความไม่ประมาทในที่สี่สถานคือระวังจิตของตนอย่อยางนี้เมื่อเรามีความระมัดระวังอย่างนี้ได้ชื่อว่าเป็นผู้มีธรรมคือสติธรรมและสมาธิธรรมคือความตั้งใจมัน่น เมื่อหากมีทำเป็นเครื่องอยู่ของจิตอย่างนี้จิตก็จะไม่ได้รุ่มหลงมัวเมาตกไปนะสู่อารมณ์ที่มัวเมาอารมณ์ที่ทําให้เกิดความกำมัดภายในจิตใจและทําให้แสสใยทําให้กระวนกระวายอารมณ์ที่ทําให้ขัดเคืองในจิตเพราะถ้าจิตมีความขัดเคืองในจิตไม่พอใจในสิ่งใดสิ่งหนึ่งย่อมเกิดความรอดความกวนกระวาย แตะจิตเกิดมีความหลงก็ย่อมหลงไหลไฟฝันไปไม่มีประมาณเมื่อมีความหลงก็ต้องดิ้นรนขันขวายเมื่อดิ้นรนขัญขวายก็ต้องกวนกวายมีความทุกข์ความเดือดร้อนเกิดขึ้นนิท่านจึงให้ระวัง <c oughs> เพื่อให้จิตของเราเป็นไปในธรรมเมื่มอจิตที่มีธรรมแล้วย่อมพ้นจากความเดือดร้อนวุ่นวายย่อมไม่ตกไปในทางที่ชั่ว นี่พระธรรมเป็นสรณะเป็นที่พึ่งของจิตใจของเราได้อย่างนี้สังขังสรณะัจามีพระสงฆ์เป็นสรณะเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าพระสงฆ์คือหมูผ่ผู้ประพฤติปฏิบัติตามศาสนธรรมคํำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ารู้สิ่งที่ผิดที่ถูก <c oughs> รู้สิ่งที่ควรและนํามาสั่งสอนอบรมพุทธบริษัททั้งหลายและนํามาซีแกนแสดงให้พวกเราได้รู้ได้เข้าใจนี่พระอริยสง์สาวกท่านเป็นผู้รู้ดีรู้ชอบและประพฤติปฏิบัติถูกต้องตามศาสนธรรมสุปฏิปันโนเป็นผู้ปฏิบัติดีอุชุปฏิปันโนเป็นผู้ปฏิบัติตรงยายะปฏิปันโนเป็นผู้ปฏิบัติ เพื่อนำออกจากทุกสามีกิปฏิปันโนเป็นผู้ปฏิบัติสมควรแก่สามีกิกรรมอันชีสมควรแก่การอันชรีกรรมนี่จึงได้จัดได้ซื่อว่าเป็นพระอริยสงฆ์หรือเป็นหมู่พระสงฆ์สาวกที่ประพฤติปฏิบัติไปตามแนวแถวแห่งธรรมที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้า ได้ประทานไว้เ <c oughs> มื่อท่านปฏิบัติดีปฏิบัติชอบปฏิบัติถูกต้องก <c oughs> ็จะนำมาสั่งสอนพวกเราพุทธบริษัททั้งหลายให้ได้รู้ได้เข้าใจในสิ่งที่ถูกต้องและไม่ได้เห็นผิดเป็นชอบไม่ได้กระทำไปในทางที่ผิดให้พวกเราได้กระทำไปในทางที่ถูก <c oughs> ตามคานองของธรรม คือตั้งตนไว้ชอบระวังกายวาจาจิตของตนให้ยินดีและทำจิตใจของตนให้ยินดีในทานศีลภาวนานี่แหละสั่งสอนอบรมในในเรื่องทานเรื่องศีลในเรื่องภาวนาสั่งสอนอบรมให้ระงับดับความชั่วทางกายทางวาจาและทางจิตนี่ไม่สั่งสอนให้เห็นผิดงมงาย <c oughs> เหมือนอย่างที่มีความ ร่วมหลงองมงายเห็นว่าการกระทาไปในทางที่นอกจากศาสนาธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าถือผิดเป็นซอบมีเป็นวิสาธิธิเห็นว่าการกระทาการเส้นการสวงการกระทาไปในสิ่งภายนอกจะเป็นที่พึ่งอันประเสริฐ อย่างนั้นไม่ใช่ไม่ถูกต้องที่พึ่งอันประเสริฐที่จะเกิดขึ้นคือการที่เรามาประพฤติปฏิบัติด้วยการวาจาิตของเราให้เป็นผู้มีศีลมีทานมีภาวนามีความเคารพ น, นอบนอบอยู่ในพระพุทธธรรมพระสงฆ์นี่จึงได้ชื่อว่าเป็นพุทธศาสนิกชนเป็นอุบาสกอุบาสิกาที่ประพฤติตาม แนวทางแห่งพระอริยเจา้าที่พระสงฆ์สาวกเป็นสรณะเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของเราคือจะเป็นผู้ชี้ทางแนะนำให้เราได้ประพฤติปฏิบัติถูกต้องตามาศาสนธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้าเมื่อเราประพฤติปฏิบัติเราเป็นผู้มีศีลมีทานมีภาวนามีศีลสมาธิปัญญาฝึ ก, กจิตใจของเราให้ มีความตั้งมั่นมีปัญญารอบคอบภายในจิตใจนี่ได้ชื่อว่าพระสงฆ์เป็นที่เป็นสรณะเป็นที่พึ่งอันประเสริฐได้เกิดขึ้นภายในกายวาจาจิตของเราเนี่รวมและพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ประชุมลงมาที่กายวาจาจิตของเรามาตั้งอยู่ที่กายที่วาจาที่จิตของเราหรือรวมเข้าไปอยู่ที่จิตของเราจิตของเรามีความ ออนน้อมทอมตนมีความคารวะและประพฤติปฏิบัติตามพุทธาศาสนารมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและระมัดระวังกายวาจใจจิตให้เป็นไปตามแนวแถวธรรมและนำตนให้ประพฤติปฏิบัติอยู่ในทานสีนภาวนานี่ได้ชื่อว่า เราได้ที่พึ่งอันประเสริฐคือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ประชุมลงมาพึ่งที่จิตใจของเราเราได้สร้างที่พึ่งให้เกิดขึ้นภายในจิตของเราอัตติอัตโนนาโถตนแลเป็นที่พึ่งของตนเป็นที่พึ่งได้อย่างนี้คือเราได้ยินได้ฟังทำคำสอนและได้พระพฤติปฏิบัติตาม าศาสนธรรมคำสอนได้เกิดความรู้ความเข้าใจได้เกิดความสงบเยือกเย็นภายในจิตใจของเรานี่ได้ชื่อว่าเราได้ที่พึ่งอันประเสริฐเราได้ที่พึ่งที่ระลึกอันประเสริฐคือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นี่เพราะฉะนั้นผู้ที่ตั้งอยู่ในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ท่านจึงจัดในชื่อว่าเป็นผู้มีรัตนะคือมีแก้วอันประเสริฐ หรือเรียกว่าตั้งอยู่ในพระรัตนาตายคือที่พึ่งอันประเสริฐของตนคือแก้วทั้งสามประการคือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ธรรมดาผู้ที่ตั้งอยู่ในพระไตสรณ ะ, ะคมคือรัตนะอันประเสริฐยอมรับพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นสรณะนะเป็นที่พึ่งของตนอย่างนี้แล้วก็จะต้องพพฤติปฏิบัติให้เป็นไปตามธรรม คือเป็นพูดถึงด้วยกายด้วยวาจาด้วยจิตไม่ถึงพูดผีปีศาจรักระคุณเป็นสรณะเป็นที่พึ่งตั้งตนไว้มีความเคารพต่อพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อย่างแน่วแน่จะกราวทางกายจะกราทางวาจาก็กราวถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์จะกราไหว้ก็กราไหวพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์จะนึกคิดก็นึกถึงพุทธโธรรมโมสังโฆ <c oughs> นี่ได้ชื่อว่าเป็นผู้ถึงสารณะของตนเองเป็นผู้ประพฤติปฏิบัติขัดสีในสารณะของตนด้วยความไม่ประมาทแล้วก็จะได้รับความปองใสาภายในจิตใจของตนเองมีปิติความเอื้อพีในจิตใจของตนเองเพราะได้ตั้งอยู่ในความไม่ประมาทต่อสารณะที่พึ่งของตน และเป็นผู้เว่นจากการที่เห็นว่าความสุขที่จะเกิดขึ้นในทางอื่นนอกจากการประพฤตในศีลในธรรมนอกจากการประพฤตในศีลสมาธิปัญญาสิททานภาวนาไม่มีสิ่งที่จะทำให้เราได้รับความเยือกเย็นเป็นสุขอันอุดมอันกเกษมนอกจากที่เราจะประพฤตศีลธรรม เช่นไปเห็นว่าการกระทำการไหวบอนการวงสวงอย่างอื่นจะเป็นเหตุให้เกิดความสุขเหมือนอย่างในาศาสนาพราหมณ์ที่เขาสอนให้แตงแก่เสียเพาะบูชาสดเพาะเดะสะเดนามว่าจะเป็นเหตุให้เกิดความสุขอย่างนั้นเป็นการกระทำในทางที่ไม่ถูกต้องตามหลักพระพุทธศาสนา ตามหลักพระพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าสอนให้เชื่อกรรมทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วอันนี้เป็นหลักยืนยันตายตัวเมื่อเราทำความดีแล้วความดีก็ย่อมเกิดขึ้นแก่ตัวเราเมื่อเราทำความชั่วความชั่วซารามกก็ย่อมเกิดขึ้นและเป็นเหตุให้ได้รับความทุกข์ร้อนถ้าหากว่าเราทำความดีมดก็ย่อมจะเป็นเหตุให้เกิดความสุขได้รับความเยืกเย็นเป็นสุข นี่ท่านจึงไม่ให้เชื่อในการกระทำเหล่านั้นไม่เชื่อมงคนตื่นข่าวเชื่อว่าทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วทำกรรมดีย่อมได้รับผลดีทำกรรมชั่วย่อมได้รับผลชั่วนี่พระพุทธเจ้าไม่ได้สอนให้เชื่อในสิ่งที่ไม่มีเหตุมีผลให้พินิษพิจารณาด้วยตนเองว่ามีเหตุมีผลอย่างไรควรจะเชื่อจึงค่อยเชื่อ ไม่ได้สอนให้เชื่อโดยงมงายน <c oughs> ี่ผู้ตั้งอยู่ในพระพุทธศาสนายอมรับนับถือพระพุทธธรรมพระสงฆ์ท่านจึงให้เป็นผู้มีเหตุมีผลอย่างนี้ <c oughs> และให้เว้นจากการและให้เป็นผู้ตั้งอยู่ในศีล <c oughs> คือศีลทางห้าหรือธรรมทางห้าประการ <c oughs> ปานาธินากาเมมุสาสุราท่านให้เว้น และให้ตั้งจิตไว้ในเมตตากรุณามุมตตาอเบขาให้ตั้งจิตไว้ในการสังรวมจิตของตนมาให้คึกขนองไม่ให้หลงไหลไปฝันไปในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสจนมาเลยขอบเขตไม่มีประมาณนี่ในหลักธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสอนผู้ประพฤติป ฏ, ป ฏ, ป ฏ, ป ฏ, ปฏบิบัติว่าอย่างนี้ และการอยู่การกินการบริโภคท่านก็ให้เว้นจากสิ่งที่ไม่สมควรคือเว้นจากการกินดิบกินแด ง, ง เ, เนื้อมังสั ง, งเมืองมังสะทั้งหลายที่ยังไม่ได้กระทำให้สุกด้วยไฟอย่างนี้ท่านก็ให้เว้น <c oughs> เพราะการกระทำหรือการบริโภคการกินอย่างนั้นมันเหมือนกับ พวกเปรตพวกผีท่านจึงให้ทำเหมือนว่าเหมือนกับผู้ที่เป็นผู้มีที่พึ่งหรือมีพุทธทางธรรมังสังขังเป็นที่พึ่งนี่ผู้ตั้งอยู่ในไตสรณะคมท่านจึงให้สํารวมระมัดระวังอย่างนี้ไม่ให้ดูรื้อดียามดีเคาะดีเคาะลายให้เชื่อกำรรนี่ในหลักธรรมคาสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า สอนให้เชื่อกรรมไม่ให้เชื่อไม่ให้เชื่อยางอื่นเมื่อเราเชื่อกรรมแล้วก็ตั้งตนปพ็พฤตปฏิบัติไปตามหลักแห่งศีลธรรมสํารวมกายวาจาจจิตของตนให้มีความเป็นปกติให้มีความตั้งมั่นและให้มีความรอบรู้รักษาตัวเองรักษาจิตของตัวเองรอบรู้ในจิตของตนเอง นี่อย่างนี้เรียกว่าเป็นผู้ประพฤติปฏิบัติตามาศาสนธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพระสัมมาสัมพุทธเจา้าเมื่อเราประพฤติปฏิบัติอยู่อย่างนี้ก็ได้ชื่อว่าเป็นผู้มีสระณะมีที่พึ่งเป็นผู้ถึงพประพฤติผ ธ, ธรรมพระสงค์เป็นสรณะเป็นที่พึ่งอันแท้จริงแล้วเราจะได้สรณะอันกเกษมได้สระณะอันอุดม และจะปิดเสียซึ่งอบายภูมิถ้าหาว่าเราไม่ถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ไม่ประพฤติปฏิบัติตามหลักธรรมคําสอนของพระพุทธที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ค้นคว้ารู้เข้าใจประกาศสอนไว้เราก็จะเป็นผู้ไม่ถึงทางพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์เพราะเราไม่ได้ปฏิบัติตาม ถ้าเราปฏิบัติตามก็ได้ชึ่งว่าพระสงฆ์ตั้งอยู่ที่จิตของเราและดําเนินเตืนเดินตามรักธรรมทำก็บรรจุเข้าไปที่จิตของเราเราเกิดความรู้ความเข้าใจตามความเป็นจริงพุทธพุทธโธตื่นเบิกบานขึ้นมาที่จิตของเรานี่รวมว่าพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ก็มาบรรจุอยู่ที่จิตของเรา นี่ได้ชื่อว่าเราได้สรณะที่พึ่งอันประเสริฐเหมือนอย่างในพระสิทธาถาที่ท่านกล่าวไว้ว่าพระหุงเวสรณงยันติปปัตตานิวานานิจจอารามารุภเจตยานิมนุษย์ซาพยาตสิตามนุษย์ทั้งหลายไปถืออารามร่างหรือตนไม้ใหญ่ภูเขา่าเป็นสรณะเป็นที่พึ่งสิ่งเหล่านั้นไม่ใช่สรณะ ไม่ใส่ที่พึ่งอันประเสริฐไม่ใส่สาระนะไม่ใส่ที่พึ่งอันกเกษมโยจะพุทธันจะทำมันจะสร้างคันจะสระนังคตโตจะตาริฤาษีสัจจานิสมัมปัญญาอภัสติดูข้างดูคัสโมุ ป, ปานดางังดูคัสสะจาติกมังอริยัจะทั้งขีกลางมักขั้งกุ้งคุคปสมกามินงังเอตังโคสรนังเข้มังเอตังสรณะำมุตตมัง ไม่เหมือนมาถึงพพุทธพระธรรมพระสงฆ์เมื่อมาถึงพพุทธพระธรรมพระสงฆ์แล้วย่อมปิดเสียซึ่งอบา ย, ยภูมิได้ชื่อว่าถึงซึ่งสา ร, ระอันเกษมอันอุดมย่อมจะได้เกิดความเยียกเย็นเป็นสุขภายในจิตใจเพราะใจของเราเป็นพุทธใจของเราเป็นผู้รู้รู้เหตุรู้ผลรู้สิ่งที่ผิดที่ถูกและเวนจากความชั่วทั้งหลายที่จะเกิดขึ้นทางกายวาจาจิต เป็นจิตที่ปกติเป็นจิตที่มีศีลมีธรรมคือความเยือกเยน็นมีเมตตาธรรมมีกรุณามุทิตาเวขาธรรมเกิดขึ้นภายใน จ, ใจิตใจอยู่ที่ไหนก็เยือกเย็นเป็นสุขนี่จึงจะได้ซึ่าถึงซึ่งสรณะอันกเกษมสรณะอันอุดมและปิดเสียซึ่งอบายสัตยไราชานก็จะไม่ได้ไปเกิดไม่ได้ไปสู่ภูมิของสัตยไรฉ า, านเปรตอสุรกายสัตว์นรก ปิดเสียซึ่งภูมิทั้งสี่ประการนี้ถ้าหากว่ายังไม่พ้นจากทุกข์ก็จะมาเกิดเป็นมนุษย์สมบัติและถึงสวรรค์สมบัติและจะเข้าถึงนิพพานสมบัติคือความสุขอันยิง่งคือการดับทุกข์อันยิง่ง <c oughs> นี่ได้ชื่อว่าเป็นที่พึ่งอันกเกษมเป็นที่พึ่งอันอุดมเพราะเราจะได้ถึงซึ่งความสุขอันกเกษมคือพระนิพพาน ดับชาติกันดานชรากันดานมรณะกันดานที่เราได้เราถึงอยู่ในปัจจุบันนี้ย่อมมีกันอยู่อย่างนั้นเมื่อมีชาติความเกิดชราความแก่ก็ตามมาพยาธิความเก็บไข้และมรณะความตายก็ย่อมตามมาเมื่อเรามาประพฤติปฏิบัติตามหลักธรรมได้รู้ได้เห็นได้เข้าใจและปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นในธาตุสขันธ์หอายตนะ ก็จะได้รู้เข้าใจและจะได้สลัดตัดเสียซึ่งความยึดมั่นถือมั่นความลุ่มหลงนี้ได้ซื่อว่าเป็นพูดทำทุกข์ให้ดับไปเรียกว่าเข้าถึงซึ่งความดับที่เรียกว่านิพพานคือความดับทุกคือดับที่จิตของเราเพราะจิตของเราไม่ลุ่มหลงจิตของเราไม่เกาะเกี่ยวไม่ยึดถือเมื่อดับที่จิตของเราแล้วจิตก็เป็นสุข เกิดความสุขความสบายเยือกเย็นขึ้นมานี่เรียกว่าดับทุกข์ดับที่นี่จะดับที่จิตใจของเรา <c oughs> เมื่อเราตั้งอยู่ในความไม่ประมาทประพฤติปฏิบัติตามาศาสนธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้าตั้งตนไว้ชอบในคุณงามความดีในาศาสนาธรรมคาสอนดังได้อธิบายมาเป็นผู้ถึงพระพุทธพระธรรมพระสง ด้วยความเคารพด้วยความไม่ประมาทและเราก็จะเป็นผู้มีความเยียกเย็นเป็นสุขเป็นผู้มีความเยี่ยมในศีลในทานในภาวนาเพราะฉะนั้นการที่พวกเรามาสมาทานศีล <c oughs> เกตนางเว่นเพื่อบำเพ็ญศีลอุโบสถคือศีลทั้ง8ปประการให้เกิดมีขึ้นในตนนี้ ได้ชื่อว่าเป็นผู้ปฏิบัติอันเยี่ยมยอดไม่มีสิ่งใดไม่มีสิ่งอื่นใดที่จะเยี่ยมยอดไปขัวศีลที่เราได้ประพฤติปฏิบัติอยู่นี้เพราะฉะนั้นท่านจึงต า, าสัสภาษิตที่รับรองไว้ว่าสิรังโลเกอนุตรังศีลเป็นเยี่ยมในโลก <c oughs> ไม่มีสิ่งอื่นจะยอดเยี่ยมในโลกนี้ยิ่งไปกลัวศีลเพราะ ศีลนี้เมื่อหากว่าผู้ใดมาประพฤติปฏิบัตินำกายวาจาจิตของตนให้อยู่ในขอบเขตแห่งศีลแล้วย่อมเป็นผู้มีความเจริญและเป็นผู้มีความสุขเป็นผู้อาถรรพ์เป็นผู้ไม่ระแวงเป็นผู้มีความอาหารในที่ทุกสถานในการทุกเมื่อเพราะเป็นผู้ไม่มีโทษทางกายทางวาจาและทางจิต เพราะฉะนั้นจึงสมควรพวกเราพุทธบริษัททั้งหลายจะต้องมาระลึกมามีสติระลึกอยู่ในศีลที่ตนละระักษานี่ให้สมบูรณ์บริบูรณ์มาให้ด่างพ้อยมีสติสัมปชัญญะประคับประคองจิตให้ตั้งมั่นให้ระมัดระวังเพื่อให้ศีลของเราบริสุทธิ์ถ้าหากว่า เราเป็นผู้ปราศจากสติสัมปชัญญะและ้วศีลก็จะเศร้าหมองเพราะสติเป็นสิ่งที่สำคัญสตินี่เป็นสิ่งที่จะทำให้ศีลสมบูรณ์บริบูรณ์ถ้าหาว่าขาสติความระลึกได้ก็ย่อมจะทั่งเผลอร่วงเกินไปทางกายทางวาจาและทางความนึกคิดทางจิตใจเพราะฉะนั้นสตินี่จึงเป็นธรรมที่จะทำให้บริสุทธิ์ ในศีลและจะทำให้สมาธิเกิดขึ้นและปัญญาความรอบรู้ภายในจิตใจของตนจะต้องอาศัยสติเป็นรรมที่สำคัญยิ่งนี่เมื่อเรามาตั้งอยู่ในความไม่ประมาทมันฝึกผลอบรมให้จิตใจของตนมีสติความระลึกได้มีสัมปชัญญะความรู้ตัวและตั้งตนไว้ชอบประกอบในหรักแห่งศีลธรรม เป็นผู้มีทานศีลภาวนาไม่ลดละไม่ประมาทแล้วก็จะได้รับความสุขความเจริญ <c oughs> ดังอธิบายศาสนาธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้าก็เป็นเครื่องป ร, รับสติปัญญาของพุทธบริษัททั้งหลายในเรื่องสณะที่พึ่งคือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ เพื่อให้รู้ให้เข้าใจตามความจริงและจะไดตั้งอยู่ในความไม่ประมาทประพฤติกายวาจาจิตของตนให้เป็นไปให้มีที่พึ่งคือมีพุทธโธธรรมสังโฆเป็นที่พึ่งภายในจิตใจของตนและจะได้ถึงที่พึ่งอันเกษมอันอุดมและจะเป็นผู้มีความเบิกบาน ตา พ, พุทธพาธรรมพาสงและจะได้มีความสุขความเจริญเห็นว่าต้องควรแก่การเวลาจิงยุติไว้เพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประการชนีอิตตังปฏิตังตุมหังคิะเมวะสมิสตุสเมปูเรนตุสังกปะจันโดปนรารโสยถ า, ามณีโชติรโสยถ า, าสภิตโยวิวสัสสตุ สัพโรโควินาสตุมาเตภวัตวันตรายโสุขีนเดขายุโกภวะอภิวานานาสีริสเนจังอุทธาปจายโนจตารูธรรมาวัฏันติอายุวันโอสุอพังภาลังนั่นละเอ ว่าวิยังว่าเรีองธานศีลภาวนาอูด <c oughs> เร่องสรณะที่พึ่งนี่ใหถึงที่พึ่งใหถึงที่พึ่งอันแท้จริง <c oughs> พอถ้าเราไม่ถึงสิไปก้าวไยววอน พระเจ้ามาช่วยใ้พระท่ามาช่วยในพระสงฆ์มาช่วยแต่ตัวเองไม่ได้ประพฤติถ้ำตัวเองไม่ได้ทำตามคำ ท, ที่เป็นสัง่งเป็นบอกเป็นคนดื้อดึงอยู่มันสิวาว่อนเทรมันกิดเพได้รับความสุขยังเข้าไปทำโทษ ไปสร้างโทษไปเกิดขึ้นไปคาไปตีเขายังคือไหว้วันว่าให้มีโทษมันก็ว่าได้พอเราไปท่อโทษให้เกิดเพราะสั่งเพื่อนี่ว่าการประพฤติปฏิบัติตามท่อมท่สอนนั่นละ่ะจึงจะเกิดก้อมสุขจึงจะไม่ตกไปในที่ชั่ว นี่เป็นสิ่งที่จะท้ำเอาเฉพาะตนปจิญ ต, ตังเป็นของเจียมพาะตนถ้าไม่ท้ำไม่ฟึกหัดไม่ปฏิบัติก็ไม่เกิดไม่มีขื่นพ้ายในกายว่าใจาจิตก็ เ, เป็นผัวมีที่พึ่ง <c oughs> นี่ศีลกบฏอยู่ที่ใดสมาธิกบ่อยู่ที่อื่น ปัญญาก็ายุทธิ์ที่อื่นอยู่ที่กายที่ว่าใจาที่จิตของเราศีลก็ยุที่์กายว่าใจาจิตเยจึงว่าได้ไปขอบ่นอนื่นว่า ไ, ไปขอนําพระเจ้าพระสงฆ์ผู้ว า, าจารณนนั่นการไปการที่ว่าขอศีลสมถานศีลเป็นการประกาศว่ามันขอ เป็นการประกาศแน่เป็นต่างค์สภาพข อ, ขอสีนอยู่ว่าเศร้ายัแต่ค้ น, คนจนสีนอยู่กัเลย่อ่มีสีนจะเสียสินนี่นัานจะของมี่อยู่กับพวกหูจักนี่มันจะให้หูจักสีนศีนอยู่ที่กายว่าจจจิตของเราเว้นจากโทษเท่านั้นละ่ะเป็นปกติสมาธิตั้งใจมันคือให้มันมันยังไรใจ มันมันในอารมณ์บริกรรมในึกุฏโธกุฏโธมันมันอยู่ในกุฏโธมีให้มันอยู่ในความรู้ของตนเองสมาธิความตั้งใจมันปัญญาความวอบรู้ในกองสังขารกองสังขารกัใจนั่นแหละมันปรุงมันแต่งมันนึกมันคิด มันนึกมันคิดมันฝุงบอยุตบอยาจริงว่าเป็นกองสังขารมันฝุง น, นั่นฝุง น, นี่ยื้อย่างนั่น <c oughs> มีปัญญาค่ให้รูรอบในเรื่องข้อมฝุงข้อมแตงของจิตมันยังคอยสิตธัดได้จริงจะระงับได้แต่ว่าฝึกหัดวปฏิบัติวทําทให้เกิดให้มี มันกบวมีเลยจะไปขอจากผู้เื่นกบว่าได้เพราะเป็นของจำเพาะตนระว่างขาโตพระทวาตาธ่ำห ม, ม้อท่ำมันพระภู้มีพระภาคท่านเลชอบแล้วสันคิตทิโกจะต้องเป็นผู้เห็นเองอากาลิโกเป็นถ้ำ ท, ที่มัมีการมันมีเวลาเอหิปัสิโกเป็นถ้ำที่จะลองเรียกเขามาสู้ใจหรือลองเรียบผู้อื่นให้มาดูได้มาพิสูจน์ได้ โภปนาญิโก้วน้อมเขม้าที่กายว่าใจจิตของเล่าน้อมเขม้าสู้ใจของเราปัจจตังเวชิตาโควินยูนี้วินยู่ส้นผู้ประพฤติปฏิบัติแจะรู้ได้จำเพาะตนนี่แน่ลักสวัสขาตาทับอิะพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ประทาวาว่าน้อมเขม้าหรือว่มีดอะน้อมขม้าใส่กายว่าจาจิตของตนเอง วิมีศีนก็ววมีสมาธิตัววิมีวัตั้งมันปัญญาในทางถ้ำตัววิมีมิจะปัญญาทางกิเลสที่จะที่จะลากที่จะดึงไปหลงไหลมั่วเมาไปแก้ตัวตัวกิเลสขัดขวนมากนักสาสีนตัววิมเพนศีนมันจะแก้นะแก่นี่ไปนั่นละโอยทุกข์ยากลําบากนั่นละ รักษาศีลเท่า น, นได้ดอกเห น, น่ะแน่เลยเอิหาตะทุกเลยมีตทุกอยู่เพาว น, นัเลยบ่ห่างบ่มีน้ำฝนเดือดเถื่อศีลก็บม่มีน้ำฝนท่านกับม่มีน้ำฝนพ่นนพอมันแก่กาแก่ก็แก่เอิหาทุกเน่ะวาในเยสิเอ่อนหามันทุกจเอิหามีไปพูดถึงมันทุกแต่ว่ามันว่าดีแล้วล่ะ ว, ว่ามันเป็น สิ่งที่ทรมานสิ่งที่ว่าต้องการผว่าต้องการไปเอื้นหาตะามันโอ้ยรักษาศีลมาได้แล้วทุกท่านมาได้แล้วทุกเผลอเพราะว่าหน้ามาได้แล้วทุกไปค่อยให้มันห่างมันหนี้ไ ป, ไปค่อยเอาดินแดนท่างไดมันสิหางสิหนี้จะเอาเมืองป่าปราสาทพิมานท่านไหงสิหางสิหนี้ขันบเห็ดมันมีอยูุ่ี่กายว่าจะจิตขังเขา้า